การจำแนกอริยบุคคลแบบที่สองถ้าขีนอรบุคคลเจ็ดหรืออริยบุคคลเจ็ดเกณฑ์แบ่งแบบนี้จัดตามอินทรีย์ที่แก่กล้าเป็นตัวนำในการปฏิบัติและสัมพันธ์กับวิโมกข์ 8. จึงควรทราบอินทรีย์และวิโมกข์ 8. ก่อนอินทรีย์แปลว่าธรรมะที่เป็นใหญ่ในกิจ หมายถึงธรรมะที่เป็นเจ้าการในการครอบงำหรือกำราบสิ่งที่เป็นปฏิปักษ์ในการปฏิบัติธรรมคือความขาดศรัทธาความเกียจคร้านความเพิกเฉยปล่อยปละละเลยความฟุงรร้งซ่านและการขาดความรู้ความลงผิดหรือการไม่ใช้ปัญญาอินทรีย์เป็นนำหน้าที่หนุนนำให้ปฏิบัติธรรมก้าวหน้าไปได้มีห้าอย่าง คือศรัทธาความเชื่อวิริยะความเพียรสติความระลึกได้หรือครองใจไว้กับกิจที่ธทมสมาธิความมีจิตตั้งมั่นและปัญญาความรู้ชัดหรือความเข้าใจในการปฏิบัติธรรมอินทรีย์ลอย่างของต่างบุคคลจะยิ่งหรือย่อนไม่เท่ากัน อินทรีย์ที่ทําให้เกิดความแตกต่างในการบรรลุธรรมจนเป็นเกณฑ์แบ่งประเภททักขินัยหรืออริยบุคคลมีสามอย่างคือสัจทินทรีย์อินทรีย์คือศรทัทธาสมาธินทรีย์อินทรีย์คือสมาธิและปัญญินทรีย์อินทรีย์คือปัญญาวิโมกแปลว่า ความหลุดพน้นหมายถึงภาวะที่จิตหลุดพ้นจากธรรมะที่เป็นปฏิปักษ์ทั้งหลายเพราะจิตนั้นยินดียิ่งในอารมณ์ที่กำลังกำหนดจึงน้อมดิ่งเข้าอยู่ในอารมณ์นั้นในเวลานั้นจิตปราศจากบาปอากุศลธรรมทั้งหลายจึงเรียกว่าเป็นความหลุดพน้นแต่ก็เป็นเพียงความหลุดพ้นด้วยกำลังสมาธิในฌานสมาบัติ และเป็นไปชั่วคราวตราบเท่าที่อยู่ในฌานสมาบัตเหล่านั้นไม่ใช่วิมุตที่เป็นความหลุดพ้นจากกิเลสและกองทุกสิ้นเชิงซึ่งเป็นไวโพธของนิพพานคำว่าวิโมกอนุโลมเรียกเป็นวิมุตได้เฉพาะเมื่อใช้คำว่าเจโตวิมุตคือความหลุดพ้นแห่งจิตด้วยกำลังสมาธิ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 หมายถึงรูปรชานสีของผู้ที่ได้ชานโดยเจริญกสินกำหนดอารมณ์ภายนอก 3. ผู้น้อมใจดิ่งไปว่างามหมายถึงชานของผู้เจริญวันนักกสินกำหนดสีที่งามหมดจดเป็นอารมณ์หรือตามคำภีปฏิสัมพิธามากว่าชานของผู้เจริญอั ป, ปมัญญา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 คือความกําหนดหมายภาวะที่เป็นต่างๆจึงเข้าถึงอากาศานัญจายตนะโดยมณสิการว่าอากาศคือช่องว่างหาที่สุดมิได้5เรอลวงเสียซึ่งอากาศารัญจายตนะโดยประการทั้งปวงจึงเข้าถึงวิญญาณัญจายตนะโดยมณสิการว่า วิญญาณหาที่สุดมิได้หเพราะล่วงเสียซึ่งวิญญาณนัญจายตนะโดยประการทั้งปวงจึงเข้าถึงอากินจัญญายตนะโดยมนสิการว่าไม่มีอะไรเลยเจ็ดเพราะล่วงเสียซึ่งอากินจัญญายตนะโดยประการทั้งปวง จึงเข้าถึงเนวสัญญาณาสัญญายตนาอยู่ 8. เพราะล่วงเสียซึ่งเนวสัญญาณาสัญญายตนาโดยประการทั้งปวงจึงเข้าถึงสัญญาเวททยิตะนิโรธอยู่ว่าโดยสาระ ส, สาคัญวิโมก8ก็คือการแสดงสมา บ, บัติทั้งหลาย รบถึงอนุปุภาวิหารสามาบัติ9อีกแนวหนึ่งนั่นเองดังจะเทียบได้ดังนี้วิโมกที่หนึ่งถึงสคือรูปปัจจานสวิโมกที่4ถึง7คืออรูปปัจานสรวมเป็นสมาบัติ8สมาบัติ8รวมกับวิโมกที่8คือนิโร ธ, ธาสมาบัติรวมเป็นอนุปุภาวิหารสมาบัติ9 ถ้าผู้นั้นไปบำเพ็ญสมถะจนได้วิโมกก็จะเปลี่ยนไปเป็นสมาธินรีเป็นตัวนำที่ว่าได้วิโมกในที่นี้หมายถึงวิโมกที่สี่ขึ้นไปคือได้ถึงอรูปฌานส่วนผู้ที่ยังคงมีสัจทินรีหรือปัญญินรีเป็นตัวนำก็อาจได้ถึงรูปฌานที่สี่แต่ไม่สามารถได้อรูปฌานพูดกรุๆมว่าไม่อาจได้วิโมก อย่างไรก็ดีถึงหากจะมีสมาธินีเป็นตัวนาแต่เมื่อถึงตอนท้ายสุดสมาธินีนั้นก็ต้องกลายเป็นฐานให้แก่ปัญญีนีอยู่ดีต่างแต่ว่ากว่าจะถึงตอนนั้นสมาธินีก็ได้ช่วยให้เกิดวิโมกเยก่อนแล้วถ้ากินันยะ หรืออริยบุคคลเจสัมพันธ์กับอินทริและวิโมกดังจะเห็นได้ต่อไปนี้อย่างไรก็ดีตามปกติทกินญะเจ็ดนั้นท่านแสดงตามลำดับจากขั้นสูงลงมาต่ำแต่ในที่นี้เพื่อให้เข้ากับแบบที่หนึ่งจึงจะแสดงจากขั้นต่ำขึ้นไปหาขั้นสูงดังนี้พระเสคขะ หรือสาอุปาธิเสสาบุคคล 1. สัทธานุสารีผู้ลั่นไปตามศรัทธาหรือผู้ลั่นตามไปด้วยศรัทธาได้แก่ผู้ปฏิบัติเพื่อบรรลุโซดาปฏิผลที่มีสัตตินีแรงกล้าอบรมอริยามรคโดยมีศรัทธาเป็นตัวนำท่านผู้นี้ถ้าบรรลุผลแล้วกลายเป็นสัทธาวิมุต สธรรมานุสารีผู้ลั่นไปตามธรรมหรือผู้ลั่นตามไปด้วยธรรมธรรมในที่นี้คือธรรมะนะครับได้แก่ผู้ปฏิบัติเพื่อบรรลุโสดาปฏิผลที่มีปัญญีสีแรงกล้าอบรมอริยามรรคโดยมีปัญญาเป็นตัวนําท่านผู้นี้ถ้าบรรลุผลแล้วกลายเป็นทิฏฐิปัตตะ สศัทธาวิมุตผู้หลุดพ้นด้วยศรัทธาได้แก่ผู้ที่เข้าใจอริยสัจธรรมถูกต้องแล้วเห็นธรรมะที่พระตถาคตประกาศด้วยแจ่มชัดประพฤติปฏิบัติถูกต้องดีและอาสวะบางส่วนก็สิ้นไปเพราะเห็นอริยศัสตร์ด้วยปัญญาแต่มีศรัทธาเป็นตัวนำหมายถึงผู้บรรลุโสดาปติผลแล้วขึ้นไป จนถึงผู้ปฏิบัติเพื่อบรรลุอรหัตผลที่มีสั์ทินสีแรงกล้าท่านผู้นี้ถ้าบรรลุอรหัตผลกลายเป็นปัญญาวิมุตต 4. ทิฏฐิปัตตาผู้บรรลุสัมมาทิฐิได้แก่ผู้ที่เข้าใจอริยสัจธรรมถูกต้องแล้ว เห็นธรรมะที่พระตถาคตรประกาศด้วยแจ่มชัดพระพฤทธปฏิบัติถูกต้องดีและอาสวะบางส่วนก็สิ้นไปเพราะเห็นอริยศาสตร์ด้วยปัญญาหมายถึงผู้บรรลุโสดาปติพล์แล้วขึ้นไปจนถึงผู้ปฏิบัติเพื่อบรรลุอรหัตผลที่มีปัญญนสีแรงกล้าท่านผู้นี้ถ้าบรรลุอรหัตผลกลายเป็นปัญญา ว, วิมุต หากายสักขีผู้เป็นพยานด้วยนามกายหรือผู้ประจักษ์กับตัวได้แก่ผู้ที่ได้สัมผัสวิโมก8แปดด้วยกายและอาสวะบางส่วนก็สิ้นไปเพราะเห็นอริยศา์ด้วยปัญญาหมายถึงผู้บรรลุโสดาปติพลแล้วขึ้นไปจนถึงผู้ปฏิบัติเพื่อบรรลุอรหัตผลที่มีสมาธิซีแรงกล้า ท่านผู้นี้ถ้าบรรลุอรหัตผลกลายเป็นอุพโตภาคาวิมุตติพระอเสขะหรืออนุปาทิเสสาบุคคลซึ่งนับเป็นข้อที่หปัญญาวิมุตติผู้หลุดพ้นด้วยปัญญาได้แก่ท่านผู้มีได้สัมผัสวิโมก8ปดด้วยกาย แต่อาสวะทั้งหลายสิ้นไปแล้วเพราะเห็นอริยสัจด้วยปัญญาหมายถึงพระอาหารหันต์ผู้บำเพ็ญวิปัสนาเป็นตัวนำมาโดยตลอดจนสำเร็จข้อที่7อุพโตภาคาวิมุตผู้หลุดพ้นทั้งสองส่วนได้แก่ท่านผู้ได้สัมผัสวิโมก8แปดด้วยกาย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 หรืออริยาบุคคลเจ็ดนั้นโดยสัมพันธ์กับอินทรีย์ที่แรงกล้าและการสัมผัสวิโมกร้อมทั้งเทียบกับท่าขีในายากบุคคลในชุดแรกไว้ด้วยในที่นี้ท่านทำเป็นแผนภาพไว้ท่านที่สนใจดูได้จากหน้า425ในพุทธธรรมฉบับรับขยายนะครับตามบัญชีข้างบนในแผนภาพนั้นแสดงความหมายตามคมภีบุคคลาบัญญัติส่วนในพระสูตร ข้อความที่อธิบายต่างออกไปจึงนำมาลงสำหรับเทียบในเชิงอัตถะต่อไปนี้และพึงทราบด้วยว่ามีท้อยคำบางตอนในพระสูตรนี้ที่ไม่ตรงกับในพระไตรปิฎกต่างฉบับเช่นระหว่างฉบับอักษรไทยกับฉบับอักษรโรมัน 1. สัทธานุสาวรีบุคคลได้แก่ผู้มีได้สัมผัส ด, ด้วยกายซึ่งวิโมกอันละเอียด คือเลยรูปปัสมาบัตไปเป็นอรู ป, ปรสมาบัตแต่อาสวะบางส่วนของเธอก็สิ้นไปเพราะเห็นอริยาาสัจด้วยปัญญาและเธอพอมีความเชื่อความรักในพระธราคตนอกจากนั้นเธอยังมีธรรมะเหล่านี้ด้วยคือสัจทินรีวิริยินสีสตินรีสมาทินีีปัญญินรี 2. ธรรมานุสารีบุคคลได้แก่ผู้ไม่ได้สัมผัสด้วยกายซึ่งวิโมกอันละเอียดคือเลยรูปปสมาบัตไปเป็นอรูปปสมาบัตแต่อาสวะบางส่วนของเธอก็สิ้นไปเพราะเห็นอริยศาสตร์ด้วยปัญญาและธรรมะทั้งหลายที่พระตถาคตประกาศแล้วย่อมเข้าได้กับการเพ่งพินิษ ด, ด้วยปัญญาของเธอพอประมาณนอกจากนั้น เธอยังมีธรรมะเหล่านี้คือสัตทินรีวิริยินรีสตินรีสมาทินรีปัญญินรี 3. สาัทธาวิมุตติบุคคลได้แก่ผู้มิได้สัมผัสด้วยกายซึ่งวิโมกอันละเอียดคือเลยรูปปัจมาบัติไปเป็นอรูปปัมาบัติแต่อาสวะบางส่วนของเธอก็สิ้นไป เพราะเห็นอริยาศาสตร์ด้วยปัญญาและเธอมีศรัทธาในพระตร า, าคตที่ตั้งมั่นมีรากอย่างลงแน่นแล้ว 4. ทิฏฐิปัตตะบุคคลได้แก่ผู้มิได้สัมผัสด้วยกายซึ่งวิโมกอันละเอียดคือเลยรูปปะสมาบัติไปเป็นอรูปปะสมาบัติแต่อสาาวาบางส่วนของเธอก็สิ้นไป พอเห็นอริยศัสตร์ด้วยปัญญาและธรรมะทั้งหลายที่ตถาคตประกาศแล้วเธอก็เห็นแจ่มชัดประพฤติปฏิบัติถูกต้องดีด้วยปัญญา 5. กายสักขีบุคคลได้แก่ผู้ได้สัมผัสด้วยกายซึ่งวิโมกันละเอียดคือเลยรูปปะสมาบัติไปเป็นอรูปปะสมาบัติ แต่อาสวะบางส่วนของเธอก็สิ้นไปเพราะเห็นอริยสัจด้วยปัญญา 6. ปัญญาวิมุตตบุคคลผู้มิได้สัมผัสด้วยกายซึ่งมิโมกันละเอียดคือเลยรูปปัสมาบัติไปเป็นอรูปปสมาบัติแต่อาสวะทั้งหลายของเธอหมดสิ้นไปเพราะเห็นอริยสัจด้วยปัญญา อุปโตภาคาวิมุตตบุคคลได้แก่ผู้ได้สัมผัสด้วยกายซึ่งวิโมกอันละเอียดคือเลยรูปปะสมาบัติไปเป็นอรูปปะสมาบัติและอาสวะทั้งหลายของเธอเก็หมดสิ้นไปเพราะเห็นอริยศัสตร์ด้วยปัญญาถ้าแสดงให้เห็นลำดับที่ต่อเนื่องกันก็จะได้ดังนี้ ศรัทธานุสารีไปสู่ศรัทธาวิมุตติไปสู่ปัญญาวิมุตติศรัทธานุสารีบวกวิโมกไปสู่กายสักขีไปสู่อุปัโตภาคาวิมุตติธรรมานุสารีไปสู่ทิฏฐิปัตติไปสู่ปัญญาวิมุตติ ธรรมานุสารีบวกวิโมกไปสู่กายสาักขีไปสู่อุปโตภาคาวิมุตต์หมายเหตุเรื่องทักกินยะบุคคลหรืออริยบุคคลที่แสดงในตารางหรือแผนผังมีข้อที่พึงทราบเป็นจุดสังเกตดังนี้พึงเข้าใจว่าไม่ว่าผู้ใดจะมีอินทรีย์ใดแรงกล้า แต่ในเวลาตรัสรู้ปัญญาย่อมทำหน้าที่เป็นใหญ่บาลีว่าปฏติเวทกาเลปัญยินทริยังอธิ ป, ปเตยังโหติกายสัขีแปลยอย่างง่ายว่าผู้สัมผัสฌานก่อนเป็นปฐมจึงบรรลุนิพพานภายหลังพึงทราบด้วยว่า เฉพาะกายสักขีขั้นที่เป็นอนาคามีเท่านั้นจึงสามารถได้วิโมกที่แอัตถกถาลดีกาอธิบายว่าอุพะโตภาคาวิมุตตหลุดพ้นโดยส่วนทั้งสองคือหลุดพ้นจากรู ป, ปกายด้วยอรูปปสมาบัติและหลุดพ้นจากนามกายด้วยอริยมรรคเป็นการหลุดพ้นสองวาระ ด้วยวิคัมพณนะมาถึงข่มกิเลสไว้ด้วยกำลังสมาธิของฌา น, นหนึ่งและด้วยสมุทเฉดคือตัดกิเลสถอนรากเหง้าเด็ดขาดด้วยปัญญาอีกนหนึ่งพระอุปัโตภาคาวิมุตตินี้ถ้าได้วิ ช, ชาสามซึ่งได้แก่วิ ช, ชาสองและอาสวะขยายานเรียกว่าเป็นเตวิชาช ถ้าได้อภิญญาหกคืออภิญญาห้าและอาสวะคยญาณเรียกว่าเป็นจละพิญญาถ้าได้ปฏิสัมพิทาสี่เรียกว่าเป็นปฏิสัมพิทั ป, ป ต, ตะพระปัญญาวิมุตตมุ่งนาบัมเพนตาวิปัสนาอาศัยสมถะ เพียงใช้สมาธิเท่าที่จําเป็นพอเป็นบาดฐานของวิปัสนาเท่านั้นจึงไม่ประสบผลได้พิเศษของสมถะเกินกว่าขั้นรูปฌานเช่นไม่ได้อรูปฌานเขานิโรวสมาบัติไม่ได้ไม่ได้โลกิยะวิชาสองระลึกชาติไม่ได้และไม่มียานเห็นจติอุบัติของสัตว์ทั้งหลายไม่ได้โลกิยะอภิญญาห้าแสดงฤทธิ์ไม่ได้ ไม่มีทิพโสตคือหูทิพไม่มีเจโตป ร, ริยญาณคืออ่านใจผู้อื่นไม่ได้ระลึกชาติไม่ได้และไม่มีทิปจกักขุคือไม่มีตาทิพแต่ว่าตามหลักย่อมเป็นปฏิสัมพิธาปะตะได้คือเป็นผู้บรรลุปฏิสัมพทาสีได้ ในคำพีชั้นรองและชั้นหลังมีการจำแนกประเภทของความหลุดพ้นออกไปอีกตามลักษณะการเห็นไตรลักษ์แต่ละข้อสัมพันธ์กับอินทรีย์ที่เป็นตัวนำโดยแบ่งเป็นวิโมก3คือสุญญาตาวิโมกอนนีิมิตาวิโมกและอปนิหิตตาวิโมกแต่จะไม่นำมาแสดงไว้ในที่นี้เพราะจะทำให้ฟั่นเฟือผู้ต้องการทราบพึงดูในปฏิสัมพิธามรตและวิสุทธิมรต ในวินัยปิดกก็ออกชื่อวิโมก3านนี้บ้างแต่ความหมายตามที่อัตถกถาอธิบายแปลกออกไป